Thank uh you. -huh.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 และต้องคืนเท่าไรบางครั้งต้องคืนร2อยต้องให้ดอกเพื่อนด้วยเราเป็นหนี้ใครเราต้องใช้หนี้คนไม่ใช่หนี้ไม่ใช่คนดีใครมีบุญคุณต่อเราเราต้องทดแทนบุญคุณคนที่ไม่รู้คุณคนไม่ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณไม่ใช่คนดีลูกทุกคนลองหลับตาแล้วคิดย้อนหลังด้วยใจเป็นธรรม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 กินกาแฟเสร็จก็เดินผ่านเตี๋ยไปทำงานกลับจากธนาคารก็เดินผ่านเตี๋ยไปคุยกับลูกกับเมียไม่ได้คุยกับเตี๋ยสักคำผมมาประชุมที่กรุงเทพโทรศัพท์ไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดเตียยมารับโทรศัพท์ผมบอกว่าไงรู้ไหมเขาพูดกับติม๋มหน่อยเตียดีใจวิ่งมารับโทรศัพท์แทนที่จะถามเตียว่าสบายดีหรือไม่มีสักค จะพูดกับติ๋มเท่านั้นใจเจือดจริงๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างผมจะเดินผ่านเตีย๋ยไปเล่นกับหมาให้อาหารหมาจับหมาอาบน้ำเป็นห่วงเป็นใยหมาพูดคุยกับหมาโดยไม่เคยพูดคุยกับเตี๋ยสักคำเตียนั่งน้ำตาไหลเห็นหมาสำคัญกว่าเตีย่ยปล่อยเตียให้นั่งพิงเสาเป็นตาแก่เที่ยไร้ค่าคนหนึ่งผมไม่เคยถามเตียสักคว่า เต็้สบายดียหรือผมนี่เร็วจริงๆครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นรูน้ว่าเป็นคนดีหลังจากปฏิบัติธรรมนี้จึงมองเห็นความเร็วของตัวเองผมเร็วมากครับอาจารย์กลับไปบ้านคราวนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องมีเวลาให้เตี่ย ม, มากขึ้นอาจารย์ชื่นใจที่สุดเลยเราลองมาดูเรื่องวัวกันต่อพอรถอาจารย์จอด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 ภายใต้สีหน้าบึ้งตึงก็ยังคงเป็นคาสอนอันประเสริฐเพราะกลั่นมาจากใจที่ปรารถนาดีของท่านการสอนคนไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆไม่รักไม่เมตตาไม่ปรารถนาดีจริงๆไม่มีใครอยากสอนให้เมื่อยปากหรอกแต่สำหรับพ่อแม่แล้วท่านไม่เคยเบื่อนายย่อท้อต่อการสอนลูกเพราะ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 ยังขออโหสิกรรมกับท่านได้เมื่อออกจากปฏิบัติธรรมแล้วเอาดอกไม้ทูกเทียนไปกราบเท้าข อ, อกมาท่านที่บ้านจะเป็นมงคลต่อชีวิตลบล้างอัปมงคลที่ทำมาจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมจะใสสะอาดความชั่วต่างๆที่เคยทำจะผุดขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วรีบแก้ไขเสีย ตอนนี้ลูกเห็นตัวเองอยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ลูกเห็นสิ่งสกป ร, ปรกเปื้อนหน้าต้องมีใครบอกลูกไหมไม่ต้องบอกลูกเห็นความผิดของตัวเองเกิดปัญญาจากการภาวนาลูกเข้าห้องน้ำเราล้ลางเองพระพุทธเจ้า ต, ตรัสว่าคนพาลที่รู้ว่าตัวเองเป็นพาลคนนั้นกําลังจะเป็นบัณฑิตตัวเราเลวถ้ารู้ว่าตัวเองเลวนั่นแหละ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 เห็นไหมข้างไหนเป็นเพชรข้างไหนเป็นก้อนปรวดดูตรงนี้เด็กคนนี้ถ้าเราเมตตากรุณาเขาเลี้ยงดูเขาต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะดูแลเราป้อนข้าวป้อนน้ำให้ยาพาไปหาหมอเขาจะสะท้อนความประตัญญูมาหาเราตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางชีลูกของเรายังไม่สนใจเราเลยเด็กคนใช้จะอยู่ใกล้ ประคับประคองปรนิบัติเราตลอดดียิ่งกว่าลูกเราเองก็ได้ mm. เห็นไหมเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของคนดีวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดคือหัวใจต้องเต้นสองจังหวะ เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณอันมือไกวเปรซาแต่ไรมาคือหักา้าคลองพิภพบจบสากลชีวิตของเราแม่ปั้นมาคราวนี้ก็มาถึงบทบาทของเราแล้วเราจะตอบแทนและแสดงความกระตันยูอย่างไร จึงจะคู่ควรเหมาะสมกับพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะมนุษย์เราลำเอียงเข้าข้างตัวเองใครมาถามเราเราก็บอกว่าเรากตัญญูให้คะแนนตัวเองสูงแต่ถ้าให้คนอื่นให้คะแนนเราคงได้คะแนนน้อยกว่าเยอะอาจารย์เองก็คิดว่าตัวเองกตัญญูพอให้คะแนนเรื่องนี้เฉล ย, ยได้ 80% อยู่เรื่อย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 แม่จูงมือออกจากวัง ว, ว้าเหวเดียวดายขนาดไหนยังดีที่ได้ํำเน็จํำนาญเอาเงินมาปลูกวังเล็กๆอยู่แม่ใช้มือเล็กๆนิ่มๆที่ไกวเปลนี่แหละเลี้ยงกรมพยาดำรงราชานุภาพจนเติบโตเติบโตมาในอ้อมแขนของแม่ตลอดในที่สุดรชัชกาลที่หแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเสนาบดีที่อยู่นานที่สุดคือ20สิบกว่าปีลูกสาวเขียนบอกต่อไปว่าสเสด็จพ่อรักคุณย่ามากกตันยูต่อคุณย่ามากเพราะความที่ไม่มีพ่อและคุณแม่เป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนี่แหละกะตันญูยังไงกลมพระยาดำรงปลูกบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งข้างวังให้แม่อยู่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 สิริมงคลก็จะวิ่งจากปลายเท้าแม่มาเข้าหน้าผากลูกกลับเท้าเสร็จก็คุยกับแม่ถามแม่ว่าแม่ต้องการอะไรยาหอมอยาลมยาหม่องหมดหรื อ, อยังแม่อยากกินอะไรไหมเลิกงานแล้วจะซื้อจากบางลําพูมาฝากคุยกับแม่เสร็จก็ออกไปทํางานเย็นเลิกงานแล้วก็แวะซื้ อ, อยาลมยาหอมมาฝากแม่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 กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยกราบเท้าพ่อแม่กลับไปกราบซะกลับไปชัยนี่กรมพระยาดำรงกลับมาตอนเย็นสวยอาหารเย็นเสร็จแล้วตอนสามทุ่มก่อนนอนจะเดินมากราบแม่แล้วจึงไปนอนมากราบแม่คุยกับแม่5นาที10นาที มาเยี่ยมแม่มาทำให้แม่ชื่นใจเสียก่อนแล้วจึงไปนอนตกลงว่านี่คือแชมป์เป็นลูกยอดกระตันยูกราบเท้าแม่ตอนเช้ากราบเท้าแม่ก่อนนอนความที่เป็นลูกยอดกระตันยูตายแล้วเหมือนไม่ตายรูปปั้นกรมพระยาดำรงยังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้ากระทรวงมหาดไทย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 มีสิทธิ์จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันไหมพวกเราทุกคนไม่ว่ารวยจน4ี4เจ็ทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ทําไมเราไม่กล้ากราบพ่อแม่เรากราบสู้กรมพระยาดํารงไม่ได้รัฐมลตรีมหัาไทยก่อนออกจากบ้านกราบแม่ก่อนนอนกราบแม่เป็นมงคลแก่ชีวิตเบื่อเกิน